เยปิตถาสัตตาแม้สัตว์เหล่าใดเกิดแล้วในโลกันตาำมหานรกนั้นถามว่าก็เหล่าสัตว์นั้นทำกรรมอะไรจึงได้ไปเกิดในโลกันตาำมหานรกนั้นตอบว่าก็ทำกรรมหนักทากรรมที่หยาบช้ามากนะแสดงว่ามีความชั่วแบบอะไรนะชั่วบริสุทธ์เลยมันไม่มีความดีแทรกไม่มีความดีเจือปนเลยนะชั่วเลวสุด เช่นสัตว์เหล่านั้นกระทาผิดต่อพ่อต่อแม่ต่ อ, มตอสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมกระว่าไปทําคนมีศีลมีธรรมเข้าหรือโดยปกตินั้นเป็นคนกรรมทํากรรมที่ร้ายกาศมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นทุกๆวันกระวะถ้าทำปาณาติบาตก็ทําเป็นอัธยาศัยทําเป็นปกติวันหนึ่งจํานวนมากแล้วก็ทําบ่อยทุกๆวันเนี่ยนะ หรือถ้าอธินนาทานก็อธินนาทานเป็นปกติการเมเป็นปกติหมายว่าชั่วก็ชั่วเป็ดชนิดที่เรียกว่าปกติโดยสันโดยจิตโดยอัธยาศัยเช่นใครเช่นอภัยโจร น, นาคโจรเป็นต้นในเกาะสิงห์นเนี่ยนะสัตว์คนเหล่านี้เนี่ยก็เกิดในโลกันตนรกถามว่าแล้วร่างกายของเขาเป็นยังไงบอกว่าร่างกายของสัตว์เหล่านั้นนะ่ะสูงประมาณสามคาวุธตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ย มีเล็บยาวเหมือนเล็บค้างคาวสัตว์เหล่านั้นเกาะอยู่บนจั ก, กรวาลบรรพด้วยเล็บเหมือนค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ฉะนั้นเคยเห็นค้างคาวเกาะต้นไม้ฉันใดบอกว่าพวกอยู่ในโลกันตานรกก็ฉะนั้นวันก่อนไปเห็นที่ไหนนะใช่ไปที่เคยไปทำลอดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอทำลอดเนี่ยนะทำลอดไปมันก็ต้องลอดแล้วก็ต้องพายเรือไปเนี่ยนะโอ้ยมีกลุ่มค้างคาวเนี่ยเยอะมากแล้วก็แขวแองนะ หมอไม่สวยด้วยครับค้างคาวอยู่ที่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่สวยด้วยครับปลาก็เรียกว่ามองลงน้ําก็มีแต่ปลามองขึ้นฟ้าก็ ok, มีแต่ค้างคาวเนี่ยนะหมไม่สวยด้วยกลัวจะไปเกิดแถวนั้นน่ย น, นะนะหมอสวยคนเดียวครับสวยด้วยหรอกลัวจะไปเกิดบริเวณนั้นไปเป็นพวกค้างคาวเนี่ยนะปลานี่เยอะมากพอโปรยอาหารลงไปนี่ขึ้นมาพรุบเลยเนี่นะนยเยอะมากอบไยภูมิทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะว่าเราเราก็แค่เปรียบเปรียบเปรียบว่าเอเนี่ย อบายภูมิเดรชาณภูมิมันก็เป็นอย่างนี้นะนี่ขนาดเดรชานภูมิแล้วเปรตภูมิเป็นต้นจะขนาดไหนเพราะพวกโลกัตนานรกก็นับเนื่องในกลุ่มเปรตรหรือกลุ่มอสุรกายก็ได้แต่จริงๆก็เป็นกลุ่มนรกกลุ่มหนึ่งพัสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเกาะตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมเหมือนขังเขาวเมื่อใดสัตว์เหล่านั้นคลานไปถูกฝ่ามือหรือไปโดนตัวแก่กันและการเข้าเมื่อนั้นก็จะสําคัญว่าเรานี่พบอาหารแล้วว่าวิ่งหมุนไปรอบ ใช่นะก็ทะเลาะกันต่อสู้กันชิงอาหารนะใช่เสร็จแล้วก็ตกลงไปในน้ําหนุนโลกเมื่อลมปะทะก็ขาดตรงตกลงไปในน้ําเหมือนผลมะสางพอตกลงไปแล้วก็ละลายเหมือนก้อนแป้งตกลงไปในน้ําที่เค็มจัดฉะนั้นก็แสดงว่าเป็นน้ํากรดเนี่ยนะเป็นน้ําประเภทน้ํากรดพอตกลงมาก็อะไรเหมือนเม็ดฟูตกลงไปในน้ำเนี่ยนะเหมือนเม็ดฟูเหมือนเปปซี่ที่มันฟูวันในที่สุดก็เรียบร้อยเนี่ยนะ บทว่าอันเยปิกิระโพสันติสัตตาควาว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเห็นกันในวันนั้นว่าโอ้โหแม้สัตว์เราอื่นก็เกิดในที่นี้เพื่อเสวยทุกข์เหมือนอย่างพวกเราเสวยทุกข์อย่างยิ่งใหญ่เรื่องมหาทุกข์หรือมหันตะทุกข์เนี่ยนะมันเจ็บปวดเนี่ยนะคือตอนที่อะไรนะตอนที่เกาะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคงหนาวเหน็บเลยนะคงหนาวแล้วก็ตกลงไปอีกแล้วละลายเนี่ยนะมันน้ํากรดแช่เย็นเนี่ยมันเอ เขามาเคยเกลุ่มน้ำกลั่นหรือน้ำกรดเนี่ยนะเคยเคยโดนผิวเนี่ยโดนผิวแล้วยามหน้าหนาว เ, เย็นก็เย็นแล้วโดนน้ำกรดเนี่ยคันทั้งคันด้วยนะทั้งคันด้วยแล้วก็เคยโดนนะน้ำกรดเนี่ยนึกออกนะแต่ดีว่าถ้าหากว่าแช่น้ำกรดเลยมันจะขนาดไห น, น้อเนนะแค่โดนแค่นี้ๆห น, น, น, น่อยๆแค่เรียกว่าแทบจะเหมือนแทบจะเหมือนไอระเหยน้ำกรดเนี่นะขนาดนั้นยังเจ็บปวดเลยมั้งกัน แสดงว่าถ้าจเจริญกุศลว่าไม่ดีเนี่ยสายได้น่ากลวกัวเหมือนนวตาเนี่ยต่อไปใน ข, ข้อที่บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อ14นะธรรมดามีอยู่ดังต่อไปนี้เรื่องธรรมดาว่าในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาคือเมื่ออยู่ในคันไปแล้วเนี่ยนะเทพพระบุตรหรือเท้าจาุ ม, มหาราชย่อมเข้าไปรักษาในสี่ทิศ ท้าวจาตุมหาราชนั้นมีความตั้งใจว่าใครใครใคร ใ, ครใครไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์อย่าได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นได้ข้อนี้เป็นธรรมดาเพราะเกิดในคันเท่านั้นแหละมีเทวดามาเป็นยามให้เลยเนี่ยนะเทวดามาคอยดูแลปกปักรักษาก็เรียกว่าเทวดารักษาเนี่ยนะผู้มีบุญมาเกิดก็เป็นอย่างนี้แหละอธิบายว่าปกติแล้วท้าวมหาราษ น, น, นะหรือท้าวมหาราช ทั้งสี่องค์เนี่ยนะปกติแล้วเท้ามหาราชมีอยู่ทุกจักรวาลมีอยู่ทุกจักรวาลถ้าหากว่าหมื่นจักรวาลเนี่ยนะหนึ่งจักรวาลมีเท้ามหาราชสี่องค์ถ้าหมื่นจักรวาลมีกี่องค์ก็เท่ากับมีสี่หมื่นองค์เพราะในสี่หมื่นองค์นั้นเฉพาะในจักรวาล น, นี้เท้ามหาราชของเราเนี่ยก็เข้าไปเป็นทหารยามอยู่ในห้องเลยเพื่อคอยอารักขาพระโพธิสัตว์นะเข้าไปสู่ห้องอันมีสิริเพราะฉะนั้นจึง คอยเรียกว่าป้องกันไม่ให้พวกยักษ์พวกปีศาจคลุกเล่นฝุ่นหรือคลุกฝุ่นเพราะฉะนั้นก็พวกนั้นก็จะหนีไปแล้วการอารักขาเนี่ยอารักขาทั้งห้องจักรวาลแต่พิเศษเฉพาะเท้าวมหาราชในจักรวาล น, นี้แหละที่อยู่ในห้องแต่ว่าปกติก็มีเทวดากลุ่มอื่นที่ทคอยดูแลอีกเยอะแยะท้าวมหาราชมาจากหมื่นจักรวาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท้าวมหาราชมาดูแลกี่องค์ก็สี่หมื่นองนั่นเอง ถามว่าการรักษานี้เพื่อประโยชน์อะไรทําไมต้องรักษาเพราะว่าถ้าหากว่าตั้งแต่การแห่งกาละะตั้งคืนนับตั้งแต่ปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์ยังลงสู่คันของพระมารดาแม้พวกมารแสนโกดจะยกเขาสิเนรุแม้แสนโกดภูเขาเนี่ยนะก็ไม่สามารถทําอันตรายแก่พระโพธิสัตว์หรือมารดาของพระโพธิสัตว์ได้ไม่ใช่หรือทําไมล่ะทําไมต้องต้องลงมาด้วยนะเพราะไม่มีใครทําลาย พระโพธิสัตว์ได้อยู่แล้วในเรื่องนี้เนี่ยนะพระองค์ตรัสไว้แล้วคือคือพระองค์ได้พยากรณ์ได้ตรัสบอกไว้แล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อที่บุคคลจะพึงปลงพระชนท่าตถาคตหรือพระตถาคตเนี่ยนะจะสิ้นชีวิตด้วยความพยายามของผู้อื่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสแปล ว, ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกที่พระโพธิพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ จะสิ้นพระชนหรือจะตายเพราะคนอื่นพยายามภาพเพียนเพื่อที่จะเข่นเพื่อที่จะฆ่าโดยที่สุดแม้แต่อยู่ในคันนะตั้งแต่กาละละเป็นต้นมาจนถึงโน่นจุติในระหว่างเนี่ยไม่มีใครฆ่าได้ไม่มีใครฆ่าไ ด, นะไาได้เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าตถาคตทั้งหลายไม่ปรินิพพานหรือไม่ตายด้วยความพยายามของผู้อื่นภิกษุทั้งหลา ย, ลายเธอจงไปตามไปอยู่ที่ตามที่อยู่ของตัวเองเธอ พิษสทั้งหลายตถาคตไม่ต้องการมีอารักขาเพราะอะไรเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตของพระตถาคตไม่มีด้วยความพยายามของผู้อื่นและว่าไม่มีใครทําลายอะไรได้แต่เหตุผลที่เทพบุตรถืออารักขาเนี่ยนะเหตุผลนั้นก็เพื่อป้องกันสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลาย น, นะป้องกันความหวาดสะดุ้ง น, นะคือเมื่อพระโพธิสัตว์หรือมารดาของพระโพธิสัตว์จะได้ไม่ต้องกลัว หรือมารดาของพระโพธิสัตว์อาจจะกลัวได้ใช่ไหมกลัวเพราะอะไรเพราะเห็นรูปหรือฟังเสียงของอนมนุษย์ที่มีรูปพิการที่น่าเกลียดน่ากลัวหรืออาจจะเป็นพวกนกร้ายเนีนกร้ายมาคอยร้องเสือเป็นต้นมาคอยร้องหรือว่ามาบินโฉบเฉี่ยวเป็นต้นให้เกิดความกลัวเนี่ยนะพวกเทวดาทั้งหลายก็มาป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นก็ว่าจัดอารักขาทั้งๆ ท, ที่จริงๆก็ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ก็มีการอารักขาเพื่อป้องกันเนี่ยนะ อีกในหนึ่งเทพบุนนั้นที่ต้องมาทําอย่างนี้ก็เพราะความเคารพด้วยเดชบุญของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะอนุภาพแห่งบุญเทพพระโพธิสัตว์จัดการป้องกันอารักขาผู้ที่ควรแก่อารักขามามากในะอดีตท่านทําบุญไว้เยอะนะเพราะฉะนั้นเดชแห่งบุญอันนี้ทําให้เท้าจ่าตุมหาราชเกิดความเคารพเพราะเพื่อจะประกาศความเคารพจึงทําอย่างนี้เพราะเนื่องจากเคารพนั่นแหละ ก็เลยมาคอยดูแลคอยบำรงคอยรับใช้คอยป้องกันเพศภัยอันตรายทั้งหลายก็แสดงว่าเป็นผู้มีบุญผู้มีบุญก็จัดให้มีการอารักขาได้หรือผู้ที่มาอารักขาก็มาด้วยความเต็มใจก็เพราะมีบุญแต่ถ้าคนหมดบุญน่ะพวกอารักขานั่นแหละจะฆ่าเนี่ยนะก็มีเอ่อพวกกษัตริย์หรือผู้ยิ่งใหญ่หลายๆคนเนี่ยนะที่ตายเนี่ยไม่ได้ตายเพราะคนไกลตัวฆ่า ก็คนใกล้ๆนั่นแหละค่าเนี่ยนะทางยุโรปก็มีหลายคนเนี่ยนะที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นะคนใกล้ๆตัวนั่นแหละค่าทิ้งะเพราะว่าอะไรเพราะหมดบุญตอนมีบุญเขาก็มาดูแลนะตอนหมดบุญก็ก็เหมือนอะไรก็เหมือนกับแบบในโลกเนี่ยคนที่มีบุญก็ใช้รถไปเมื่อหมดบุญเนี่ยนะทวงมาลัยนั่นแหละกระแทกอกตายอยู่ตรงนั้นแหละมันก็แล้วแต่บุญเน่ยนะก็แล้วแต่บุญพันอย่าไปคิดว่าแหมตลอดไปใช่ไหม ก็ถ้ามีบุญก็มีทุกอย่างมาป้องกันดูแลรักษาหมดถ้าหมดบุญน่ะไอสิ่งที่รักษานี่ยแหละมันจะมาทําลายเนี่ยนะอยู่ที่บุญแต่พระโพธิสัตว์นั้นบุญของท่านเนี่ยทำให้มีผู้ที่คอยดูแลคอยอให้ความคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาทีนี้ตั้งคําถามว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเมื่อเข้าไปยืนอยู่ในห้องเนี่ยแสดงตนหรือไม่แสดงตนให้มารดาของพระโพธิสัตว์เห็น คือหมายว่ามารดาพระโพธิสัตว์เห็นไหมว่ามีเทวดามาคอยยืนอยู่ในมุมห้องตลอดเนี่ยนะท่านบอกว่าแสดงให้เห็นไม่แสดงเฉพาะเวลาพระองค์อาบน้ำเวลาตบแต่งพระวรกายคือแปลเวลาเวลาแต่งตัวหรือเวลาสวยพระกาย า, หารหรือเวลาเข้าห้องน้ำขับถ่ายปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยนะจะไม่แสดงตัวจะแสดงตัวเวลาที่ใช้เวลาอิริยาบถปกปตินเนี่ย เท ว, วดาจะแสดงตัวให้เห็นอ้าวแล้วถามว่าปกตินะบุคคลเมื่อเห็นอามนุษย์ทั้งหลายก็จะกลัวกันไม่ใช่หรือเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายโดยปกตินี้กลัวอามนุษย์มารดาพระโพธิสัตว์ไม่กลัวหรือบอกว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นมารดาของพระโพธิสัตว์เห็นอามนุษย์เนี่ยนะด้วยบุญญาอนุภาพของบารดาพระโพธิสัตว์ด้วยและด้วยอนุภาพของโอรสที่อยู่ในคันด้วยทําให้ไม่กลัวอนมนุษย์ ปกติเนี่ยมนุษย์จะกลัวอัปมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ทั้งหลายจะกลัวแต่นี้ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะบุญของท่านเป็นผู้มีบุญอยู่แล้วและบุญของลูกด้วยทําให้แม่ไม่กลัวเพราะฉะนั้นใจของมารดาพระโพธิสัตว์เกิดในอนมนุษย์เหล่านั้นถามว่าท่านคิดยังไงคิดก็เหมือนกับคนที่ทหารยามปกติทั่วๆไปนะเหมือนมองเหมินมองเหมือนมอ ง, มองเห็นยามเห็นอะไรคนที่คอยมาดูแลบํารุงเป็นปกติเท่านั้นเอง ข้อต่อไปมีว่าข้อสิดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังต่อไปนี้อีกว่าในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่คันของพระมารดาพระมารดาของพระโพธิสัตว์โดยปกตินั้นเป็นคนที่ทรงศีลเพราะอะไรเพราะเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในการม งดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อนี้เป็นธรรมดานะธรรมดาเนี่ยนะก็บอกว่าจิตที่คิดจะฆ่าสัตว์อื่นไม่มีแก่มารดาพระโพธิสัตว์ทั้งชาติด้วยนะเกิดมาไม่เคยคิดฆ่าใครเลยนะเกิดมาไม่เคยคิดจะต้องว่าเอาของของคนอื่นเลยด้วยอธินาทานด้วยอกุศลเนี่ยนะไม่มีเกิดมาเนี่ยนะเจตนาในการประพฤติผิดในการมไม่มีเลย เจตนาที่เป็นเหตุให้พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่เนี่ยไม่มีเลยเจตนาที่จะไปดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ไม่มีเลยสําหรับมารดาของพระโพธิสัตว์ก็แปลว่าผู้ที่จะเป็นแม่พระโพธิสัตว์นั้นต้องเป็นผู้ที่มีศีลโดยปกติเนี่ยนะทั้งโดยจารีตศีลและวารีตศีลตรงนี้ยกตัวอย่างว่าท่านเนี่ยในข้อเวนเนี่ยท่านเวนได้อย่างเด็ดขาดพันจารีตท่านจะดีขนาดไหน อัตถคถาอธิบายว่าบทว่าปกติยาศีและวตีความว่าโดยปกติแล้วมารดาพระโพธิสัตว์เป็นผู้ถึงพร้อมโดยศีนเป็นสภาวะนั่นเองได้ยินว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติเนี่ยนะพวกมนุษย์ทั้งหลายก็จะกระโยงไหวและก็รับศีนในสำนักของดาบทปริภาชกทั้งหลายแม้แต่มารดาของพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะก่อนหน้านี้ ท่านก็รับศีลในสำนักของฤาษีชื่อว่ากาลเทวินฤาษีกาละเทวินนั้นเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยนะแต่ต่อเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่คันของพระพุทธมารดาแล้วเนี่ยใครๆไม่สามารถจะนั่งณบาดมูลได้หมายาว่าแม่ของพระโพธิสัตว์ไม่สามารถไปนั่งแทบเท้าใครได้เลยไม่สามารถก้มกราบใครได้อีกต่อไปเพราะอะไรเพราะอนุภาพของ พระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายนั้นยิ่งใหญ่มากไม่สามารถที่จะไปก้มกราบใครได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะนั่งรับศีลบนอาสนะเสมอกันก็เป็นการดูหมิ่นเพราะฉะนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ก็เลยต้องสมาทานศีลด้วยตัวเองรับศีลด้วยตัวเองสมาทานศีลด้วยตัวเองตั้งเจตนาในการรักษาศีลด้วยตัวเองนั่นเองอันนี้เป็นปกตินะปกติสมาทานศีลปกติรักษาศีลรักษาเจตนาเว้นจาก ปานาติบาตเป็นต้น